มาพิจารณาในลักษณะที่บอกว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นต้นเป็นไปตามลําดับเนี่ยตั้งแต่ว่าอันทชาชราปุชาสังเสรชาโอบบาริกะไม่ว่าจะเกิดในไข่เกิดปฏิสนณฑที่ในครั์ของมารดาเหมือนเราท่านทั้งหลายปฏิสนธิในเหงื่อในไข่ตักแตนหรือยุงเป็นต้นนี่เนี่ยหรือปฏิสนธฑที่เป็นพวกโอบบารีกะมีพวกอวัยวสัตบ้างเทวดาและพรหมบ้างเนี่ย พอปฏิสนธิแล้วเจริญเติบโตมาตามลําดับก็ต้องประดับประดาอาภรณ์ต่างๆเน่ยไหมชาติทุกข์เนี่ยมีทุกตัวเกษัตรย์แล้วก็เบียดเบียนทําใหเา้เราสัตว์เหาสัตว์ได้รับทุกขเวทนาอย่างมากมายในสุนจริงก็ต้องเวียนไหวมาเอากําเนิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จบรู้สิ้นใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้หยุดยัง้งทุกภพทุกชาติท่านจึงใช้คําว่านับประมาณไม่ได้เนี่ย ทีนี้ชาติที่ทุกนั้นที่สัตว์ทั้งหลายเอาชาติปฏิสนธิในท้องอ่ะที่มีอวัยวะบริบูรณ์บ้างไม่บริบูรณ์บ้างที่สัตว์ที่ปฏิสนธิในเหงือในไข่เป็นต้นก็ดีหรือสัตว์ที่ปฏิสนธิเป็นในคันในไข่ก็ดีหรือโอปาดิกะก็สวยชาติอันยิ่งยวดเหมือนกันฉะนั้นในคําสอนของพระเจ้าโดยเฉพาะข้าพเยากะหรือชราพุ ช, ช้าที่เกิดในคันมารดาเนี่ยท่านก็เล่าในเรื่องถ้าไปดูใน อินทกาสูตรในสังยุตตนิกายสกาทวรกท่านก็นจะยกและปฐมังกัลลังโหติกาลาัลลโหตีอภูธังอภูธาชายเตเปสีเปสีชายเตคโนคนาชายันติสาขาเนี่ยปิเอกเกสโลมานะขาพิจัรณ์บอกษัตว์ทั้งหลายถือปฏิในคันของมารดาแล้วเมื่อแรกก็เป็นกลัลลาไอกัลลาในที่นั้นก็คือน้อยนักหนาเท่าขนาดว่า หยาดน้ํามันงาหยาดหนึ่งเล็กๆถือปฏิสนธิในครันของแม่ทั้งหลายใช่ไหมเราท่านทั้งหลายเกิดมาก็เคยเป็นเอกสารล้ลนี่แหละใสๆอยู่ในครันของแม่กรณีที่เราอยู่ในท้องของแม่เนี่ยเหมือนนั่นแหละน้ํามันใสๆเท่ากับหยาดน้ํามันงานเนี่ยนะที่ติดอยู่ที่ปลายขนจามรีเพราะงั้นเหมือนปลายเข็มเมืออย่างนั้นแหละลองคิดดูที่ว่า ต้องตั้งอยู่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามีอันต้องกระเทือนหรือมีอันที่จะต้องหลุดลงไปหรือแตกสลายไปก็คือว่ามรณะทันทีเห็นไหมการตั้งลงของชาติเนี่ยมันเป็นการตั้งลงอย่างน่าหวาดเสียวท่านคำนวณก็ไว้ว่าสัตว์ที่ปฏิสนธิในคันหรือในขณะในยางเหนียวในไข่บินตนเนี่ยที่ตายเนี่ยมากกว่าออก ที่ตายเนี่ยนับไม่ได้ไอ้หลุดรอดออกมาได้นี่น้อยมาถ้าจะปฏิสนทีสักหนึ่งล้านเนี่ยจะรอดได้สักยี่สิบเนี่ยหรือสักสามสิบเนี่ยก็น่า บ, บุญแล้วว่าไอ้ตัวชาติเนี่ยมันมั น, ม, น, ม, นมันตัวตั้งของของความทุกข์ของความทุกข์กยากของความลำบากแต่เราท่านทั้งหลายโมหามันปิดมันคิดไม่ออกหรอก พูดอย่างนี้ก็กลายเป็นความตื่นเต้นว่าพระพุทธเจ้าทำไมยังรู้ขนาดนั้นแค่นั้นน่ยแต่ไม่เคยเห็นสัจจความจริงว่ามันทุกข์ยังไงมันน่าหวาดเสียวยังไงโอกาสที่จะตั้งอยู่ในคันเบ็ดเส็จเนี่ยถ้าไปตั้งอยู่ในครันของพวกอบายศัตร์แล้วมันแตกตายไปก็ยังนับวดีหน่อยใช่ไหมแต่สําคัญไปตั้งอยู่ในในจุดที่ดีแล้วเนี่ยของบุคคลที่จะมีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคําสอนเป็นบุคคลที่ เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่มีความมั่นคงในพระธรรมตรยัยทันกับพระรัชเจ้าแล้วไปแตกวิบัติตันนี้แล้วเราก็ไปปฏิสันธิซะอีกที่หนึ่งมันไปมันอยู่เนี้ยสังสารวัตรมันยิ่งน่ากลัวแค่การละอย่างเดียวมันก็แทบกลัวจะรอดมาได้ก็ไม่รู้จะอธิบายกันยังไงใช่ไหมถ้าเราท่านทั้งหลายพอวิจัยหรือพิจารณาเห็นก็จะเห็นว่าไอ้ตัวชาติเนี่ยมันเป็นทุกข์เนี่ยนะปฏิสนธิชาติเนี่ย หรือถ้าก็พิจารณาไปอีกหน่อยก็คือว่าต่อมาก็คือว่ามีพันอันใสดังน้ำมันเนอยอีกเจ็ดวันเนียเนี้ยนะในสุดจริงๆก็คือว่าแล้วก็เป็นอมพุทธะแล้วก็เริ่มคน้นพอเริ่มค้นขึ้นมาเป็นตามลาดับแล้วอยู่ต่อมาอ ก, ก็เหมือนกันน้ำล้างเนื้อมันก็เริ่มใช่ไมเริ่มค้นขึ้นมาอเจ็ดวันแล้วก็เริ่มเป็นชิ้นเนื้ออีกเจ็ดวันนะ เป็นชิ้นเนื้ออยู่เจ็ดวันเนี่ยนะเริ่มเป็นเนื้อขึ้นมาแล้วต่อจากนั้นก็แน่นเข้าแน่นเข้าก็เป็นแท่งเนื้อสันฐานก็เป็นอย่างไข่ไก่อีเจ็วันเนี่ยนัก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆพัฒนาในทุกจุดในทุกจุดทั้งๆ ท, ที่เป็นกระละเอวยทั้งๆ ท, ที่เป็นอภุธาเอวยทั้งๆ ท, ที่เป็น เมเปสิเนะเป็นอย่างสันธายอย่างไข่ไก่ทุกจุดนั้นนะ่ะมรณะจ่อคิวเลยชาลาพญาทีไม่ต้องพูดถึงมรณะนะ่ะจะตัดลอนอยู่ตลอดเวลาเนะก็ลองคิดดูที่นะว่าว่าอะไรมันเกิดขึ้นในสังสารวัฏแล้วมันได้อะไรเนะี่ยได้ก้อนทุกเข้ามาก้อนเนี่ยที่เราจะต้องอยู่กับก้อนทุกเนี่ยตรงนี้พานท่านสอนให้วิจัย ท่านสอนในีคิดเอามาถามบอกว่าการวิจัยการคิดอย่างนี้ไม่ใช่ไปนั่งดูแต่วิจัยด้วยความรอบรู้ด้วยความเข้าถึงด้วยการฟังพระธรรมของพระเจ้าแล้วต้องเจาะทะลุทะลวงให้เห็นจริงๆว่ามันเป็นความหวาดเสียวอย่างรุนแรงจริงๆทีนี้พอพิจารณาต่อไปตามลำดับต่อมาก็แตกเป็นปัญจัสาขานั่นแหละเป็นศีรษะแล้วก็เป็นมือสองเป็นเท้าสองนั่นแหละเจ็ดวันเนี่ย ก็ทำมาพิจารณางี้ก็จะเห็นว่าอ๋อแตกเป็นปุ่มขึ้นมาแล้วเป็นศีรษะหนึ่งเป็นแขนหนึ่งเป็นแขนสองเป็นขาสองเห็นไหมแม้ในช่วงนี้ก็ไม่มีความปลอดภัยอยู่หรอกก็มาพิจารณาในลักษณะต่อมาก็นั่นแหละเกสาโลมานขาทันตาตะโจเป็นต้นก็ตามมาตามลําดับอีกเยอเป็นไปตามลําดับจําเดิมแต่นั้นมาเนี่ยต้องเสวยละเจวยทุกขเวนะนายังเจ็บปวด ตงสวยทุกขเวทนาแบบเจ็บปวดอยู่ในเขาเรียกว่าอุทรประเทศของมารดาถ้าความพิจารณาอย่างนี้ก็คือบอกว่าที่ต้องอยู่ในท้องของแม่เนี่ยทุกจนหาข้ออุปมาเปรียบเทียบไม่ได้ไม่รู้จะเปรียบเทียบไอ้ความทุกข์ที่สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยได้รับความทุกข์ในท้องของแม่ทั้งหลายเนี่นี่ ท่านใช้คําว่าอุปมาไม่ไเยอะไม่รู้จะอุปมายหนนั่งทับอาหารเก่าของแม่ทูนอาหารใหม่ของแม่ไว้บนศรีรษะก็คืออาหารใหม่เนี่ยทูนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไอ้หัวก็อ่อนๆเนี่ยนะแล้วร่างกายท่านเองก็บอบบางเนี่ยนั่งทับกระเพาะอาหารเก่าคือถังอุจจาระข้างบนก็คือเป็นอาหารใหม่ทีนี้ หันหน้าเนี่ยนะทารกนั้นก็นั่งนั่งเหมือนนั่งยองๆ น, นั่งกระโยงเงี้ยนั่งขดตัวยกมือทั้งสองข้างค้าคางของตนเองไ่เนีกอดหัวเข่าของตัวไว้กอดเข้าไว้ทีนี้หันหลังไปทางท้องของแม่หันหน้าเข้าหากระดูกสันหลังของแม่ เหมือนวานนอนอยู่ในโพรงไม้เหมือนลิงอะนอนอยู่ในโพรงไม้ที่ฝนตกนึกภาพเห็นไหม mm hmm. เคยเห็นลิงไหม mm hmm. เคยเห็นโพรงไม้ไหม mm hmm. ไม่เห็นโพรงไม้เอง mm hmm. ไม้เนี่ยมันมีโพรงมันมีรูอยู่มันก็จะเข้าไอ้ลิงเนี่ยมันเข้าไ้หลบฝนมันก็จะไปขดตัวอยู่อย่างนี้โยมมันขดอยู่อย่างเงี้ย กอดข่าขดอย่างเงี้ยมันก็หันหลังใช่ไหมหันหลังละหันหลังออกอย่างเงี้ยนะกรณีของเราท่านทั้งหลายเนี่ยอยู่ในท้องแม่แล้วก็ไปขดตัวเองอยู่งั้นแนะหละหันหน้าไปข้างหลังหัหลังมาข้างหน้าเน่ยข้างบนก็คือกระเพาะหานใหม่ทับติดที่หัวพอดีเลยเนี่ยทับติดที่หัวพอดีเลยเอาไว้ทําอะไร เอาไว้เวลาแม่กินของร้อนเย็นร้อนใ ห, ใ ห, ให้ให้ทรมานที่สุดนี่มันจะร้อนอย่างมากอย่าไปกินของร้อนกินเข้าไปนี่ทรมานมากกินแม่กินของร้อนนี่ทรมานมากถ้า แ, แม่กินของเย็นกั น, นั่นแหละอย่างกันนรกเย็นๆ เ, เราดีๆนะไตโชทาตข้างในก็นเผา ไม่มีมีความสุขใจอะไรแล้วในนั้นเนี่ยแต่มันคิดไม่ได้โมหะของศาสตร์มันเยอะคิดแต่ก็เป็นความตื่นเต้นเยี่ยนะมาว่านี่ยคิดเป็นความตื่นเต้นมหัศจรรย์มากอยู่ได้ไงแค่นั้นเด็กคิดได้แค่นั้นเองฉะนั้นผังผืดของทารก น, น, นั้นนะนะก็หุ่มกายอยู่ไม่อาจจะเหยียดมือเหยียดเท้าออกไปได้สวยทุกขเวทนาอยู่ในท้องของมารดาอย่างแสนสาหัสจัดว่าเป็น เป็นชื่อของทุกข์ในขุมนรกมืดบนอนตการยิ่งแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนนะตรงนี้ก็คือว่าถ้ามาศึกษาในกรณีคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยที่จริงพระองค์แสดงทุกขะวะแล้วไปไ ป, ไปว่าด้วยทุกตรงนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดทุกขะทุกก็คือทุกที่ทนได้ยากก็หมายถึงความทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจของเราท่านทั้งหลายที่เราประสบกันเนาะ เขาบเป็นทุกข์โดยสภาวะที่ชื่อว่าการยึดกระทุกกเวทนาความทุกข์ทางกายแล้วก็เจาสิตกทุกกเวทนาเราท่านทั้งหลายที่เป็นบุรุษชนทั้งหลายเนี่ยกายเป็นทุกข์ทีไรก็ใจก็ทุกข์ทุกครั้งแทบไม่มีเลยนะที่เราจะแยกส่วนของทุกข์กายออกจากทุกข์ใจได้เวลาไหนความทุกข์กายเกิดขึ้นก็ลาไปถึงจิตใจใช่ไหมเวลาความทุกข์ใจเกิดขึ้นก็สมระงมแลยกายก็พลอยระงมไปด้วยเนี่ยแทบจะติดกันเลยทั้งทั้งที่คนละส่วนเนี่ยนะ ด้วยความที่เป็นปุถุชนเนี่ยที่ไม่ได้สดับพระธรรมคําคสอนของพุทธเจ้าเป็นต้นหรือฟังคําสอนพระเจ้าแล้วไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยไม่ได้แยกแยะไม่ได้ไข้ควรไม่ได้พิจารณาเนี่ยกายทุกข์ก็กระเทือนถึงใจใจทุกข์ก็กระเทือนถึงกายกันอยู่เนี่ยนะนะเข้านะเข้ า, า, ขาคือพอทุกข์ใจเนี่ย ม, มีมีแรงเลยอะ่ะใช่ไหมพอทุกข์กายกันขึ้นมาก็ทรมานถึงจิตใจเลยเนี่ยแยกไม่ได้ถ้าภริยาเนี่ย ท่าละโทสะได้แล้วท่านจะทุกข์ใจไหมไม่เลยอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยทั้งโทสะอีสาเมฉริยะกุกุจาเต็มไปหมดความทุกข์เต็มไปหมดเลยเนี่ยแยกไม่ออกแยกไม่เห็นถ้ากายทุกข์ที่หลายมันโดนแต่ละครั้งโดนสองดอกโดนลูกดอกอันแรกเสียบแล้วก็ยังโดนที่สองเสียบอยีกแต่ภรริยะทั้งหลายท่านโดนดอกเดียวแหละเสียบใช่ไหมที่ใจท่านไม่เป็นไร ฉะนั้นท่านจึงไม่มีความทุกข์ในที่นั่นไหนไม่มีความกังวลกังวายเลยสถานการณ์อย่างไรก็แล้วแต่ท่านก็ไม่กังวลกังวายใช่ไหมเพราะท่านถอดลูกศรทางใจของท่านได้แล้วถ้าขันนี้ดับท่านก็ถอดลูกศรดอกสุดท้ายออกได้ท่านก็เย็นหน้าที่ไหนๆไม่ต้องมาทรมานทุกข์กระทุกใช่ไหมทุกทุกกระทุกกระทุกกายกระทุกใจไม่มีส่วนวิปริณามะทุกข์เนี่ยคือทุกแปรปรวน่คือสุขเวทนานะ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่แปรปลุนไปการยิ่สุขเวทนาก็เจตสิกสุขเวท น, นาเนี่ยอันนี้ก็หมายความว่าสุกกายและสุขใจนั่นเองฉะนั้นความสุกกายและความสุขใจเนี่ยท่านจึงบอกว่าเป็นวิปริณามะท่านในคําสอนท่านจะบอกว่าทุกเนี่ยทุกขเวทนาเนี่ยเป็นทุกข์พรตั้งอยู่ใช่ไหมเป็นสุขพราะดับไป สุขเวทนานั้นน่ะเป็นสุขเพราะตั้งอยู่เป็นทุกข์เพราะเปลี่ยนไปหรือดับไปเ น, น e, แปรไปนั่นเองจนอุเบขาเวทนานั้นน่ะเป็นทุกข์เพราะเนเป็นสุขเพราะไม่รู้ไงจะเป็นทุกข์เพราะการรอบรู้นั่นเองเนยเรานึกว่าสุขเวทนานเป็นสุขนะเพราะเราไม่รู้โมหะมันปิดก็คิดว่าสุขกับอุเบขาเวทนานั้นเป็นสุขแล้วที่ไหนได้มันเป็นทุกข์เพราะ ถ้าเรารู้อ่ะส่วนสังขารทุกนะทุกพยายามสังขารทุกคือสังขารเนี่ยนะทุกของสังขารเนี่ยหมายถึงอุเบกขาวเวทนาและสังขานที่เหลือที่เป็นไปในภูมิสามอ่ะที่เป็นไปในกาลภูมิเป็นไปในรูปภูมิและก็เป็นไปในอารมณภูมิใช่ไหมลักษณะอย่างนั้นอ่ะเป็นความทุกข์ที่บีบคั้นถูกความบีบคั้นเนี่ยคือความเกิดและความดับในบีบคั้นตลอดเวลาอันนี้มีชื่อของอะไรขันห้า จิตเจสิกรูปนั่นเองที่เว้นจากทุกกระทุกและวิปริณามาทุกออกไปก็จัดเป็นสังขาระทุก์ใช่ไหมยากไหมทีนี้จะประเด็นต่อมาคือปฏิชันนัทุก์ทุกที่ถูกปกปิดโรคทางกายเป็นต้นนะปวดหูปวดฟันปวดเขา่าปวดหลังปวดเไปทั่วสิ่งต่างๆ่เหล่านี้ปกปิดนะถ้าบอกถึงรู้ใช่ไหมถ้าไม่บอกไม่รู้ ปวดท้องปวดอะไรต่างๆเยอะแยๆไปแล้วก็ปวดใจปวดใจต้องบอกเขาไหมถ้าไม่บอกเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเราทุกข์ใจต่างๆราคาโทสาโมหะเนี่ยนั้นราคาโทสาโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจชาหีริกานาุตระปาอุตละจ่าที่ไหลเข้ามาเนี่ยท่วมทับในกระแสจใจเราท่านทั้งหลายนีย่อันนี้ถือว่าเป็นความทุกข์ไหมความทุกข์เ่าเนี่ยถ้าไม่ถ้าคนอื่นถ้าไม่บอกเขารู้ไหม ฉะนั้นตรงนี้มันปกปิดเป็นทุกข์ปกปิดใช่ไหมอย่างท่านแคทกุ้งใจเนะี่ยมีใครรู้ไหมไม่มีใช่ไหมคนอาจจะสังเกตได้บ้างจากนั้นเองใช่ไหมแต่ถ้าบอกมาถึงรู้ใช่ไหมอย่างนี้เรียกทุกข์ปกปิดอปิติชันนะทุกข์ก็คือทุกข์ไม่ปกปิดก็คือเป็นความเจ็บป่วยเกิดจากการทรมาน ต, ต่างๆอาจจากทรมาน ต, ต่างๆนี้ไม่ต้องพูดถึงคนที่ก็ถูกทุบถูกตีร้องดิ้นชักดิ้นชักงอเนี่ย ดูรู้ไหมคนที่ถูกลงโทษทั้งหลายในคุกในตารางทั้งหลายเหล่าเนี้ยความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ที่สัตว์ทั้งหลายได้ประสบเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็เจ็บปวดกันเนี่ยทุกคนเห็นและรู้เลยลักษณะนี้เขาเรียกว่าทุกข์อย่างในปัจจุบันเนี่ยที่บอกว่าอย่างวานนี้ที่พูดถามว่าที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยตอนนี้นะเราลองนึกไปในโรงฆ่าสัตว์หรือคนที่ก็กําลังเข้นฆ่ากันลองนึกดูดิ ปลมามันไก่กําลังดินกี่ล้านตัวเป็ดกําลังดินกี่ล้านตัวหมูหัวควายกําลังดินกี่ล้านตัวที่ถูกเชื่อถูกทบถูกตีถูกแทงเนี่ยทุกลักษณะอย่างนี้มันถูกลงกรรมกรสามสิบสองสัตว์ทั้งหลายมันเห็นเห็นอยู่เนี่การเห็นอย่างเงี้มันจะได้ได้สะดุงสะเทือนว่าเนี่ยการเกิดมันเป็นอย่างนี้ มันจะต้องมาประสบกับความทุกข์ต่างๆนานาประการอย่างเงี้ยลักษณะที่โดนทิมโดนแทงโดนทุบโดนตีแล้วเราอยู่ในโลกแต่ละที่แต่ละใบแต่ละแห่งเนี่ยมันก็เจอภัยร้ายอย่างมากมายเหล่านี้สัตว์ป่าก็กาลังเข็นฆ่ากันเองบ้างถูกมนุษย์จับได้ก็เอามาเป็นอาหารบางกาลังทุบ ก, กำลังตีกันอยู่เนี่ย อีกฝ่ายถูกทุบตีก็ได้ไหมและสัตว์ทุกประเภทก็จะเป็นไปรักหนึ่งนี่วิ่งจิกวิ่งกินกันอยู่เนี่ยถ้ามองเห็นในลักษณะอย่างนี้ก็แล้วมันโดนลงโทษปริยัยทุกทุกโดยอ้อมก็คือทุกที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะนี่ปริยาย์ก็คือทุกโดยตรงก็คือทุกกระทุกดังที่ได้กล่าวลักษณะอย่างเนี้ยท่านจึงบอกบอกว่าความเกิดชื่วทุก์เพราะเป็นบอกเกิดแห่งความทุกมีการเกิดในบายเป็นต้น พระผู้มีพเจ้าทรงแสดงไว้ในภาระปฏิสูตรเป็นต้นแล้วก็ทุกอันมีเหตุที่เกิดในคันมารดาเป็นต้นของมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดในสุกติภูมิในที่นี้ท่านถึงกล่าววินคาถาไว้ในคมียุสุธิมักทยอยย่อตรงนี้คือถ้าสัตว์ไม่เกิดในนรกก็ไม่พึงประสบความทุกขมีการถูกเผาในรกที่ตรมานไม่พึงมีหน้าที่ไหนเป็นต้นพระโมนีจึงทรงแสดงว่าการเกิดเป็นทุกข์โดยประการนี้เป็นต้นนะนะ อันเดี๋ยวเคยไปว่ารายละเอียดหรือทุกขังติรัเเฉสุกรสาประตทะเป็นต้นนะทุกข้องสัตว์เดรัจฉานมีมากมายเช่นการถูกกระหน่ำด้วยแท้บ้างด้วยปะตากบ้างด้วยท่อนไม้เป็นต้นบ้างสัตว์เหล่านั้นน่ะมีทุกได้อย่างมากมายในะจังที่บอกว่าสัตว์นั้นกําลังถูกฆ่าถูกทุบ ถ, ถ, ถูกตีอยู่เนี่ยถ้าถามบอกว่าสัตว์เหล่านั้นจะมีทุกได้อย่างไรถ้าไม่มีความเกิดใช่ไหม สัตว์เหล่านั้นที่มีความเกิดนั่นแหละจึงจึงเป็นเหตุของความทุกข์ของสัตว์เหล่านั้ น, นก็ไล่ไปพระองค์จะสอนเรื่องนรกไล่ดูในนรกก็คุมทั้งหมดบอกว่าสัตว์นรกทั้งหมดนะมาจากชาติที่ทุกข์ไม่ว่าเวจีมหานรกหรือนรกที่เป็นบริวาร ไม่ว่าจะเป็นนสังคาตะนรกอุท ธ, ธสถานาถานากอไอ้ครูฐานรกแหล่งต่างที้ไล่มาตามลำดับเห็นไหมเวทัณีนรกเนี่ยถ้าเรามาพิจารณาดูในนรกต่างๆเหล่านั้นน่ยถ้ามันไม่มีชาติเสียเนี่ยใช่ไหมมันจะไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มาคอยทรมานสัตว์โลกในสังสารวัฏก็เพราะมีชาติคือการเกิดนี่แหละสัตว์เหล่านั้นจึงต้องเสวยความทุกข์ ถ้าสัตว์ไม่เกิดในนรกก็ไม่ประสบความทุกข์มีการถูกเผาถูกทรมานในนรกไม่มีไม่มีที่พึ่งในที่ไหนๆเป็นต้นฉะนั้นพระพเจ้าจึงตรัสว่าการเกิดในในโลกนี่เป็นทุกข์จริงๆการเกิดในโลกเป็นทุกข์แล้วก็ไล่สัตว์โดยฉานซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ตลอดเวลานะเวลาจะกินอาหารแต่ละครั้งเนี่ยเราเคยนึกไหมเขาไม่ใช่ว่าเขายิ้มนะเนี่ถ้าโดนทุกอย่างทรมานเลยนะเน่ เวลาเราเอาเนื้อเขามากัดกินแต่ละทีเขาให่ไหมเนี่ยนนะ่ะเขาแทนจะทรมานเนะี่ยดินพลาดพลันเลยนะี่ยเน่ยแต่เราก็ไม่เห็นทุกข์อีกไม่ใช่เราไงไม่ใช่เราไงแท้ที่จริงเนะ่ะเขาแสนจะทรมานเนะนี่ยน้ําตาไหลไม่รู้กี่กี่หยดกว่าที่เขาจะตายชักดินชักงอได้เนะี่ยเพราะอะไรอ่ะก็เพราะชาติคือการเกิดใช่ไหมเขาถึงต้องมาโดนทุกเนี่ย แล้วก็เลยเอาสมมุติเราเป็นอาหารเราท่านทั้งหลายแล้วกินกันอย่างอระเล็ดละลอยเมามันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เลยท่านไปใช่ไหมแต่เราเคยเห็นใจเขาไมอ๋อไม่เคยเห็นเลยอ่ะก็เป็นกันอย่างเงี้ยแล้วก็บอกนี่มนุษย์เมตตาใช่ไหมพิจารณาดูสัตว์เหล่านั้นเขาก็เป็นเขาทํากรรมอย่างนั้นก็จริงอยู่แต่น่านบงบอกถึงว่าถ้าไม่มีชาติเนี่ยความทุกข์ในโลก ของสัตว์เดรัจฉานจะมีมาจากไหนก็เพราะชาติคือความเกิดที่แความทุกข์ในโลกโลกหนึงเต็มเพลนผ้านไปหมดเอาตามตามสถานที่ต่างๆแล้วที่กินผักแต่ละทีอย่างนี้ดิเขาฆ่าใบสัตว์เท่าไหร่ต้องฉีดยาเท่าไหร่ใช่ไหองคิดดูดิมันมาด้วยเลือดมันมาด้วยความทุกข์ความทรมานของสัลสัตนวะ์ไงนี่สัตว์โลกก็ไม่เห็นไง ขาดการวิจัยทุก ษ, ษัตริย์ไม่รุนแรงในจิตความคิดจากการออกจากสังสารวัตรก็น้อยใช่ไหมโดูมันไกลตัวหมดเลยนะถ้าพูดอย่างนี้เหมือนไกลตัวเลยไหมแล้วนั่งอยู่เงี้ยังเห็นว่าไกลตัวอยู่ไหมเนีถ้ามาพิจารณานี่ก็มันมันก็ยังไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่ใช่ไหมบางคนคิดถึงกันหน่อว่าถ้าใกล้หนักไปอีกเนี่ย บางแห่งเนี่ยกขาถ่ายประนมาก็เห็นเอาลิงมาร้านอาหารก็มัดอยู่ใต้โต๊ะแล้วก็คว้านสมองใช่ก็ตากกินมันก็สั่นกึกๆๆกรก็ ก, ก, ก, ก, กินสนุกสนานกันนี่ถ้าไม่มีชาติคือการเกิดแล้วมันจะมีไอ้ความทรทุกข์ทรมานเนี่ยพุทธเจา้าบอกการเกิดเป็นทุกข์ มันมาจากชาติแท้ๆที่ท่านต้องถูกทรมานอย่างนั้นไปชี้กันเต็มไปหมดนะดามร้านอาหารเข้าไปหมดเอาบางทีก็เล่นกิจกรรมกันด้วยนะไอตัวไหนวิ่งแข็งแรงวิ่งปุ๊บปุ๊ป๊ขึ้นไปแข็งแรงก็ตักกอาตันั้นบางทีก็ให้กิจกรรมเนี่ยให้คนที่ต้องการอยากจะกินอะไรต่างๆไปตักใช้ความสามารถตักเอาหรือใช้เบส ต, ตกมาตกมาได้เข้าไปทําอาหารให้กินเงี้นเนี่ย หรือปลาก็เหมือนกันในแรกอะไรแล้วคิดดูดีเนี่ยเขาดิ้นหนีตายอ่ะแล้วก็ต้องไปถูกทุบตายตรงเนี้ยเราเราก็ไม่ไม่คิดไงว่ามันสังสารวัตเนี่ยมันเราเกี่ยวข้องยังไงแล้วเราไปทำกรรมยังไงเราไม่เข้าใจทั้งตรงเนี้ยท่านถึงบอกไงบอกว่าทุกของสัตว์าาเดรัจฉานมีมากมายการถูกกร น, นำํำการถูกทุบ ก, การถูกตีการถูกฆ่า สัตว์เหล่านั้นมีทุกข์ได้อย่างไรถ้าไม่มีความเกิดความเกิดจึงเป็นทุกข์ของสัตว์ในโลกนี้หรือเป็นทุกข์ของสัตว์เหล่านั้นนั้นถ้าพูดกันโดยตรงแล้วเขาไม่น่าเกิดมาหนึ่งใช่ไหมเขาน่าจะนิพพานเสียเขาจะได้ไม่เขาจะได้ไม่มาต้องโดนทรมานอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยเราทั้งหลายมานั่งกันอยู่ก็ไม่น่าเกิดมาน่าจะนิพพานเสียเนี่ยกเพราะการเกิดนี่แหละทําให้เราต้องประสบความทุกข์อะไรอย่างแสนสาหัสกันเนี่ย แต่เราเนะี่ยมันดูเหมือนจะมีปัญญาหลีกหลบได้บ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่จริงๆอ่ะมันมันหลบกันได้ที่ไหนล่ะตรงเนี้ยนะก็มาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าแม้แต่อยู่ในท้องถ้ามาดูกลุ่มของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะดูของกลุ่มของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าถ้ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยสวยทุกขเวทนาในท้องของมารดา เหมือนกับอยู่ในขุมนรกมืดบวลนตาการอย่างยิ่งมีกลิ่นอสุภะในท้องของแม่นะั่เหม็นอย่างมากเข้าเหม็นอบอวนเนะตรบเนะอยู่ในทุกทิวาราตีเหมืนคือไม่มีว่างเว้นเลยเพราะในนั้นนะมีกลิ่นที่มันไม่น่าพึงปรารถนาต่อที่ยิ่งก็คือว่าเต็มไปด้วยความร้อนนั่นแหละเป็นที่น่าพึงรังเกียจยิ่งนักเตโชธาตของคุณแม่เนะี่ยของแม่นี่นะ ก็เผาให้ร้อนทุรนทุรายลําบากอยู่ตลอดเหมือนกับเอาก้อนเนื้อที่บุคคลเนี่ยเอาใส่ไว้ในหม้อแล้วก็ต้มด้วยน้ําอ่ะแล้วก็เดือดพ่านอยู่งั่นแหละเพราะในร่างกายของคนท่านทั้งหลายเนี่ยปกติมันร้อนอยู่แล้วใช่ไหมปริมาณความร้อนมันร้อนเยอะไหมถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งเดือดถ้ไข้ขึ้นขึ้นมาความร้อนมันขึ้นสูงก็อีกหรือเป็นร้อนในอย่างเงี้ยนะในช่วงที่อากาศร้อนๆหรือเย็นๆจัดเลงต่างก็แล้วแต่ เป็นร้อนในเป็นปกติเนี้ยลองคิดดูทีว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะก็ขนาดน่ะปากของเราเนี่ยใช่ไหมก็ถือว่าถ้าเทียบกับอวัยวะของทาร็อกน่ะมันยังแข็งแรงกว่าปากเนี้ยเป็นแผลเต็มไปหมดนะยามร้อนในขนาดอยู่ข้างนอกนะเอาน้ําคอยนั่นคอยยาทาอะไรังหลอดตลอดเวลามันยังไ ม, ไม่หยุดเลยอนะแล้วสัตว์ในท้องน่ะสัตว์ในท้องอ่ะ จะทรมานเถื่อนใดใช่ไหมก็เหมือนตกนรกจริงๆนี่แหละตรงนี้นี่แหละท่านถึงบอกว่าเหมือนกก้อนเนื้อที่บุคคลเนี่ยเคี่ยวไอ้ต้มไว้ในหมอ้อสัตว์ที่อยู่ในคันของแม่เนี่ยเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส ต, ตรงนี้นี่แหละท่านเรียกว่าอภโภกันติกะมูระกทุกนเป็นทุกประการแรกของสัตว์ทั้งหลายที่จะต้องทรมานอยู่ในท้องแม่ที่เกิดมาแล้วตั้งแต่แรกเกิดเลยนะเพราะกายปรสาทเนี่ยมันตั้งขึ้นตั้งแต่ปฏิสนธิขนาย่อม มันรู้จากความสุขไอความทุกข์ในขณะที่เกิดแล้วมันสามารถรับความสุขความทุกข์รับไอร้อนไอยายเย็นเป็นต้นได้ประการต่อมาก็คือว่าถ้าแม่ล้มนะไม่ต้องล้มมาแค่เดินเนี่ยลองคิดดูที่ท้องที่มันจะต้องวิ่งไปวิ่งมาที่จะต้องแกว่งไปแกว่งมาตรงนี้ก็คือ ในขณะที่แม่นั่นน่ะเกิดเดินหกล้มขึ้นมากลับตัวกลับไปมาเนี่ยลุกขึ้นหรือนั่งเนี่ยนะลองคิดดูที่นั่งลุกนั่งลุกอะไรเงี้ยแค่นี้ไม่ต้องอะไรหรอกแล้วลองคิดดูคนที่อยู่ข้างในเนีะยนั่งเครื่องบินเคยเครื่องบินตกหลุมอากาศแรงไหมอันนี้มันยิ่งกว่านั้นอันนี้คนโตตั้งใจระวังมันยังตกอย่างนลองคิดดู อันนี้มันยิ่งกว่านั้นนะแล้วเดี๋ยวนี้ให้มีกิจกรรมไปออกกําลังกายโหดเด็กแทบตายเลยนะเด็กแทบตายเลยนะไม่รู้หรอกว่าทรมานเขาใช่ไหมกรรมของเขาอย่างนี้ว่าไนงะกรรมร่วมกันก็ว่ากันไปเจตนาหวังดีนั่นแหละต้องคิดดูที่เขาจะหวาดเสียวขนาดไหนใช่ไหมเขาบอกว่า สะดุ้งตกใจมากเด็กตกใจมากตัวสัน่นด้วยสปปะพังเลยเหมือนกับลูกทรายอ่ะแต่ลูกเนื้อลูกเนื้อตัวเล็กๆเหมือนกับ น, นักเลงจุฬามันจับดานี่ยไปกินเน่ยไปจับลูกสัตว์ป่าได้โอ้โหได้มาก็จับอย่างแรงแล้วเขาเ่าวเดินไปนะี่ยหัวล้อชอบใจอะ่ะในขณะที่มารดาลุกบังนั่งบ้างพิกตัวพิกไปกลับมาบ้าง หรือไปตั้งทา่าตั้งทางเลยสารพัดที่ทํากันอยู่เนี่ยเห็นไหมเขาทรมานหรือก็เหมือนกับงูอ่ะงูตวงัวน้อยๆอยู่ในมือของหมองูโอ้โหยเห็นไหมลองคิดอดูเงี้ยมันจะกลัวขนาดนะนกายซัดไปก็สัดมาขึ้นบ้างลงบ้างกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็กระเทือนขึ้นก็ย้อนขึ้น ก, ก็ตกขึ้นตกลงอยู่ยังคิดดูสิมีไม่อยู่เฉยๆไหมไม่มีหรอกมีแต่พลิกไปพลิกมาใช่ไหม เพอ เ, เอากาลังท้องไม่กี่เดือนเนี่ยนะรีบอย่างปัจจุบันเนี่ยภาวะรีบด่วนกันนั้นเนี่ยรีบวิ่งจะขึ้นรถบ้างโขนบ้างอะไรบ้างต้องคิดดูทีสภาพของเด็กในนั้นเนี่ ย, ยสารพัดดูหน้าลําบากหน้าเวทนาอย่างมากนี่มารดากินของเย็นเข้าไปก็โหยเย็นละเยือกเยือกสยดสยองไม่สยดสยองมันอยู่ตรงนี้ยอย่ามันทับตรงมณิษฐ์าเนี่ยไอ้กระเพาะ ก็สยดสยองหนาวเย่ยเยือกเต็มไปทั่วสะพางเนี่หละนี่เป็นอย่างนี้อสภาพความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นน่นั่นแหละถ้ามันไม่มีชาตินั้นไม่มีความเยือกเย็ยนหรือสยดหน้าสยดสยองขนาดนั้นเราเอาแค่เราร่างกายเราที่ว่ารู้สึกหนาหนากันแล้วเนี่ยเคยน้ําแข็งวางบนหั ว, น ห, วหนาวเลยในะแป๊บเดียวหนาวแล้วนี้เด็กเนี่ยเด็กเนี่ย แล้วผิวเขาอย่างกับอะไรอ่ะใช่ไหมนี่ถ้าหากว่าเหมือนกระตกนรกอ่ะน้ําแข็งอ่ะถ้ากินของร้อนกินข้าวยาคูกินของร้อนร้อนเน่ะน้ำร้อนเป็นต้นหราเนี้ยนะหรือกินของร้อนร้อนเข้าไปเนี่ยดินทุรนทุนทนลายเขาบอกว่าเหมือนกับฝนถ่านเพิงเหมือนเอาเอาเอาถ้าอย่างเราก็คือว่าคนที่โดนฝนถ่านเพิงก็คือโดนก้อนก้อนเหล็ก่ะ ไอ้ก้อนก้อนไฟอ่ะก้อนไฟล่วงใส่หัวโปรโยลงหัวเป็นระยะระยะระยะโปรโยลงงั้นเลยจะร้องก็ร้องไม่ได้มืนนี้ถูกมัดไว้หมดนี่ทรมานไหมเอาคิดว่ากายพยาศัยเขารับรู้ได้ไหมเห่นไหมนั่นแหละเหมือนกับไฟล่วงใส่หัวไฟล่วงใส่หัวเยอะ ทรมานเงี้ยน่ะนะถ้ากินของเผ็ดโอ้โหจะนี่แสบแสบไม่รู้จะแสบยังไงเลยมานาบางคนเนี่ยชอบกินของเผ็ดใช่ไหมกินของเค็มเงี้ยโอ้โหของเผ็ดเงี้ยก็กินตามใจกิเลสเนี่ยมันดูกรรมเนี่ยนะะทั้งกรรมของคู่เกิดทั้งกรรมของผู้ที่ก็เป็นพี่แม่ประเภทที่เคยทําบาปกรรมม า, มากๆกับแม่ก็หิวอะไรก็ไม่รู้ ประหลาดประหลาดน่ะจะกินอยู่นั่นแหละคือมันทํานองบอกว่าส่งมาในคุกนี้ว่างั้นนะจับมันติดคุกได้แล้วเดี๋ยวไอเรื่องการทรมานเป็นหน้าที่ของเราเข้าใจยังกรรมนี่มันก็ตามมาเล่นอีกเอาเล ย, เยมันจะทํายังไงอ่ะให้ล้มไปหลายครั้งยังไม่หนำใจอะให้ต้องกินให้ได้ต้องกินสิ่งนี้ให้ได้ โอ้โหกินไม่ได้จะตายอเอาเดี๋ยวนี้เอาสิฝ่ายสามีก็มาแพ้ท้องแล้วว่างั้นเลยเขาบอกแพ้ท้องก็คือกรรมของเด็กนกรรมของเด็กแม่โอ้กินด้วยตัณหากินกินกินใหญ่ก็ทำกำํากรรมบาปกรรมว่างั้นเลยแล้วเขาแล้วเขาเด็กในฐานก็ทุรนทุลายนี่ไงทรมานเองแล้วให้จัดการสิ